แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีเฝ้าวัดสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อชาติผมมีประสบการณ์ที่อยากจะถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่ผมเจอมากับตัวเองทําให้ผมลืมเหตุการณ์นี้ไม่ลงเรื่องมีอยู่ว่าประมาณสองปีก่อนผมได้มาหาหลวงลุงที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่จังหวัดภาคอีสานตอนบน รอบรอบวัดเป็นภูเขาที่ดูสวยงามแต่ก็เป็นเพียงวัดเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านและไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงจึงมีเพียงหลวงลุงของผมและหลวงพ่อแก่ๆรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่เท่านั้นตอนนั้นผมคิดว่าจะมาเยี่ยมหลวงลุงเฉยๆเพราะไม่ได้เจอท่านมานานหลายปีแล้วแต่การมาของผมในครั้งนี้ก็ทําให้ผมต้องนอนอยู่วัดเป็นเวลาหลายวันกําหนดการที่จะไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆก็หยุดไปด้วยเพราะหลวงลุงไม่สบาย ผมเลยต้องอยู่คอยดูแลหาย า, ยาให้กินคอยก่อไฟให้ผิงเพราะเป็นฤ ด, ดูหนาวพอดีคืนแรกที่ผมได้มานอนในวัดที่เงียบสนิทแห่งนี้ก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องดังวนเวียนอยู่ในวัดนานพอสมควรผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะมักได้ยินอยู่เป็นประจำแม้ว่าในความเชื่อของคนโบราณจะบอกว่าถ้านกแสกร้องกลางค่ากลางคืนหากไม่มีคนตายก็แสดงว่านกแส ก, กาลังเจอวิญญาณ ในเวลานั้นผมนอนอยู่หน้ากุฏิหลวงลุงที่เป็นชานเล็กๆท่ามกลางความมืดที่ไม่มีแสงไฟนีออนมีแต่เพียงแสงไฟจากตะเกียงเท่านั้นแต่ผมกลับชอบในคืนเดือนมืดเพราะทําให้มองเห็นแสงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าผมนอนดูดาวอย่างเพลิดเพลินจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงซาดซาดซาดจึงลืมตาขึ้นมาดูแสงไฟจากตะเกียงที่ลืมดับ ทำให้แลเห็นบริเวณวัดสลัวสลัวใต้ต้นไทรมีคนกวาดใบไม้อยู่มองด้านหลังเห็นเป็นเสื้อขาวกระโปรงขาวคล้ายๆกับชุดของคนปฏิบัติธรรมผมของเธอหยิกยาวลงมาประมาณเอวเธอตวัดไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดใบไม้ไปเรื่อยๆเสียงก็ดังสาดสาดสาดลมเย็นๆเริ่มพัดเข้ามากระทบกายทาให้ผมขนลุกสู้เบาๆพั ก็มองผู้หญิงคนนี้กวาดใบไม้ในใจก็นึกสงสัยว่าวัดเล็กๆห่างไกลแบบนี้จะมีญาติโยมที่เป็นผู้หญิงเพียงลำพังมาปฏิบัติธรรมได้ยังไงและเมื่อตอนกลางวันที่ผมมาถึงก็ไม่พบใครเลยนอกจากหลวงลุงและหลวงพ่อแก่ๆรูปนั้นหรือเขาจะมาในตอนเย็นแล้วผมไม่เห็นก็เป็นไปได้เพราะที่วัดนี้แม้จะห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็จะมีคนที่รักสงบชอบสันโดษมาปฏิบัติธรรมกันอยู่บ่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามชาติชาติชาติหลวงลุงเรียกเสียงดังธรรมผมตกใจอยู่ไม่น้อยเพราะเวลานี้มันเงียบสงัดมากผมละสายตาจากผู้หญิงที่กวาดใบไม้อยู่แล้วเข้าไปหาหลวงลุงในกุฏิหายาแก้ไอให้ทีไอจะนอนไม่หลับหลวงลุงตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงไอคราะหแคร่ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับ ผมเปิดฝาขวดยาแก้ไอยื่นให้แกยกขวดยาขึ้นมาจิบเบาๆหลายจิบอยู่เหมือนกันจนอาการไอเริ่มทุเลาลงเอ่อหลวงลุ ง, ลงคือว่าไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามว่าคนที่กวาดใบไม้ใต้ต้นไทรนั้นเป็นใครมาจากไหนหลวงลุงก็ขอตัวนอนก่อนแล้วบอกว่ามีอะไรพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเพราะง่วงมากแล้วผมก็เลยไม่อยากจะกวนและตอนนั้นผมก็เริ่มง่วงด้วยเหมือนกันไม่เห็นหลวงลุงนอนหลับผมผ้าเรียบร้อย ผมจึงเปิดประตูออกมาจากในกุฏิแล้วหันไปดูตรงใต้ต้นไทรเอาแสงตะเกียงแย ง, แยงๆดูปรากฏว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผมคิดไปเองว่าเธอคงจะมาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดนอนไม่หลับขึ้นมากลางดึกจึงมากวาดใบไม้ทำความสะอาดวัดป่านนี้ก็คงจะไปนอนรอที่ศาลาใหญ่เพื่อสวดมนต์ทวัดเช้าแล้วกระมังเพราะนี่ก็ตีสามแล้วตีสี่พระก็คงจะตื่นสวดมนต์ ผมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูท่ามกลางแสงตะเกียงที่ยังลุกโชนจากนั้นจึงดับไฟตะเกียงแล้วก็นอนหลับไปเช้าวันต่อมาหลังจากหลวงลุงและหลวงพ่อไปบินธบาตกลับมาแล้วฉันพัฒนาหาันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีญาติโยมผู้หญิงวัยกลางคนสองคนนุ่งขาวห่วมขาวมาเก็บกวาดภาชนะต่างๆที่ศาลาผมเห็นดังนั้นจึงเข้าใจว่าคงจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่ออกไปกวาดใบไม้เมื่อคืนนี้แน่ๆ แต่ผมก็ไม่ได้ทักทายคนทั้งสองเพราะพวกเขามาปฏิบัติธรรมโดยอธิษฐานปิดวาจาหมายถึงไม่พูดจากับใครผมจึงเกรงใจไม่อยากถามในช่วงเย็นของทุกวันผมก็เห็นพี่ผู้หญิงทั้งสองคนมากวาดใบไม้ใต้ต้นไทรเพราะรอบต้นไทรมีต้นไม้หลายชนิดทําให้ใบไม้ร่วงหล่นทุกวันผมเห็นแล้วก็หมดสงสัยกับผู้หญิงปริศนาในคืนนั้นจนกระทั่งสามวันถัดมาในช่วงสายๆหลวงพ่อท่านบอกว่า ญาติโยมทั้งสองคนได้ลาศีลแล้วก็ออกจากวัดไปทันทีและไม่ทันที่ผมจะได้ถามไทยอีกเช่นเคยเพราะวันนั้นต้องพาหลวงลุงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่เช้าจึงไม่มีโอกาสได้พูดจากันและคืนนั้นเองจำได้ว่าเป็นคืนวันพระใหญ่ทําให้แสงจันทร์สว่างเต็มดวงเห็นบริเวณวัดได้อย่างถ น, นัดตาผมก็ยังนอนน้ากุติหลวงลุงอีกเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่ลืมที่จะดับแสงไฟจากตะเกียง ผมหลับได้สักพักก็รู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงบางอย่างดังซาดซาดซาดแต่ก็ยังไม่ทันได้ลืมตาเสียงนั้นมันคุ้นๆมันเคยได้ยินมาก่อนผมก็ได้แค่นึกในใจเอ๊เสียงนั้นมันเสียงกวาดใบไม้ที่ผมได้ยินหลายวันก่อนนี่นาะผมได้สติลุกขึ้นมาตาสว่าง ท, างทันทีเพราะนึกได้ว่าพี่ผู้หญิงสองคนลาศีนออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใครกันที่มากวาดใบไม้ใต้ต้นไทรตอนเด็กๆ ผมค่อยๆหันไปมองใต้ต้นไทรที่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทำให้เห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนผู้หญิงในชุดขาวคล้ายกับคนปฏิบัติธรรมหันหลังมาทางผมเธอกวาดใบไม้เหมือนกับคืนแรกที่เห็นแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือเธอเปลี่ยนจากทางมะพร้าวที่ใช้กวาดใบไม้มาเป็นผมของเธอเองที่ยาวเล่าพื้นดินเธอก้มศีรษะลงแล้วใช้ผมที่ยาวเฟ้ยค่อยๆกวาดใบไม้ดาสาดสาด ศา์ผมสะดุ้งเฮือกหัวใจเริ่มเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่ก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะคิดว่าเพิ่งตื่นอาจจะทำให้ตาพร่าก็ได้ผมขยี้ตาและหยิบไฟฉายส่องไปเพราะต้นทซายอยู่แค่หน้ากุฏิจึงใกล้มากที่ไฟฉายจะส่องไปถึงและเห็นได้ชัดขณะที่แสงไฟส่องกระทบผู้หญิงคนนั้นหันขวับมาทันทีในตาสีขาวโรนถลนออกมาใบหน้าเป็นสีดาและเน่าเฟะปนเลือดปนหนองไม่เป็นท่า เฮ <Hey! S 2> ผมร้องอุทานด้วยความตกใจปรับปนกับความหวาดกลัวตัวเริ่มสั่นรีบลุกขึ้นสลัดผ้าห่มออกอย่างรวดเร็วแล้วรีบเปิดประตูห้องที่หลวงลุงนอนอยู่แต่มันกลับเปิดไม่ได้เพราะถูกสายกรอนข้างในหลวงลุงหลวงลวงุงผมเข้าประตูดังปังปังปั ง, ปงรัวติดกันไม่เป็นจังหวะถ้าเอาหลวงลุงต้องวงเวียขึ้นมาเปิดประตูให้ข้าลืมไปว่าเองมาอยู่ด้วยเลยใส่กรอนประตูโทษทีหลวงลุงพูดขณะที่ผมก็ไม่ได้ฟังสักเท่าไหร่นะัก รีบเข้าไปในห้องตัวสันพับๆหลวงลุงค่อยๆปิดประตูแล้วมาถามผมว่าเป็นอะไรผีใต้ต้นไทรผมพูดเบาๆปากคอสันไปหมดแต่หลวงลุงกลับพูดเสียงเรียบๆทานองว่าคุ้นเคยกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดีเขาไม่ทําอะไรเองหลอกหน้าอย่ากลัวไปเลยไหว้พระแล้วรีบเรียบนอนซะผมก็รีบคลานไปกราบพระพุทธรูปที่อยู่บนหัวนอนแต่ก็ยังไม่เลิกสันนอนคลุมปองอยู่กระทั่งเช้า รีบออกไปตามหลวงลุงกับหลวงพ่อบิณฑบาตเพราะไม่กล้าอยู่คนเดียวในวัดและเมื่อเห็นต้นไซนี้ทีไรผมก็ไม่อยากจะมองอีกเพราะยังกลัวไม่หายเมื่อหลวงพ่อกับหลวงลุงฉันพรตทหารเช้าเสร็จแล้วผมจึงถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ท่านทั้งสองบอกว่าผีต้นนี้ก็คือคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดหลายครั้งเธอจะหงุดหงิดทุกครั้งที่เห็นเศษใบไม้ร่วงใต้ต้นไซเพราะทําให้วัดสกปร ก, รกรกรุงรังจึงชอบกวาดใบไม้ตรงนี้เป็นประจํา ต่อมาเมื่อเธอเสียชีวิตด้วยจิตที่ยังผูกพันกับวัดจึงทําให้เธอมาปรากฏที่ใต้ต้นไทรอยู่บ่อยและทํากิจวัตรเดิมๆที่ชอบทำํำคือการกวาดใบไม้หากเมื่อใดที่มีคนมาปฏิบัติธรรมและกวาดใบไม้ใต้ต้นไทรให้สะอาดแล้วเธอจะไม่มาปรากฏให้เห็นต่อเมื่อไม่มีคนมาทําความสะอาดเธอก็จะมากวาดทําทความสะอาดแทนแต่ผมก็ยังสงสัยว่าเธอก็ชอบปฏิบัติธรรมแล้วทาไมเมื่อตายไปจึงต้องเกิดเป็นผีเฝ้าวัดเรื่องนี้ หลวงลุงกับหลวงพ่อท่านได้อธิบายว่าในขณะที่ตายจิตสุดท้ายของเธอคงจะหม่นหมองไม่ได้ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมาแต่อาจไประลึกถึงอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์กโกรธขุนมัวหรือแม้แต่การตายด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้ก็นำพาให้เกิดในภพภูมิที่ต่ำได้เชนเ่นเป็นเปรตอสุรกายหรือตกนรกประกอบกับความชื่นชอบวัดแห่งนี้เป็นพิเศษหรืออาจจะห่วงสถานที่แห่งนี้อยู่ จึงต้องมาเกิดเป็นผีฝ้าวัดอย่างที่เห็นคำตอบทุกอย่างคลายความสงสัยจนหมดสิน้นผมจึงรู้แล้วว่าคืนแรกที่เห็นคนกวาดใบไม้ก็คือผีผู้หญิงตนนี้ส่วนพี่สาวทั้งสองคนได้มาปฏิบัติธรรมในเช้าวันต่อมาและเมื่อลาศีนไปผีตนนี้ก็ปรากฏกายมากวาดใบไม้ใต้ต้นไทรอีกครั้งหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจ และกดติดตามด้วยนะครับ